เมื่อคืนนี้พูดถึงฌานว่าถ้าเราคิดถึงความตายเราก็ต้อ ง, ป, งป้องกันไว้ก่อนอันดับแรกเราจะไม่ยอมลงนรกเพราะว่าเรามีจ า, านนสติกมฐานประจำใจการนึกว่าจะให้ฌานเป็นจ า, านนสติกมฐานเป็นจุดหนึ่งที่ป้องกันนรก้าว่าบังเอิญถ้าเราให้ฌานจริงๆ ทานตัวนี้ถ้าเป็นเดวดาเป็นนางฟ้าเป็นผรมก็มีทิปสัมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็มีสมบัติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานขอโทษการถวายสงฆทานการถวายสงฆทานนี่เป็นจุดของมหาเศรษฐีเป็นต้นเหตุนะเป็นต้นเหตุให้เกิดเป็นมหาเศรษฐีนี่ยัมีความสําคัญมาก ในการถวายทานกัพระให้มุ่งถวายสังฆทานเป็นสำคัญทั้งนี้เพราะอะไรพว่าผู้รับกับผู้ให้หรือวัตถุทานถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ถ้าให้เป็นส่วนบุคคลจะมีอนิสงส์มากแต่ก็น้อยกว่าสังฆทานหลายแสนเท่าถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ วัตถุทานที่ได้มาบริสุทธิ์เราไม่รับไปขโมยใครเข้ามาผู้รับไม่บริสุทธิ์อา น, นิสง์ก็ต่ําลงไปนี่สลับทานาเป็นบุตรส่วนของคุณนะถ้าถวายสังฆทานผู้รับจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามอ น, นิสงสังฆทานครบถ้วนบริบูรณ์ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้รับไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว คำว่าสังฆทานนี้หมายถึงว่าพระสงฆ์ทั้งหมดมีสิทธิ์ในทานนั้นฉต่ท่นผู้รับทานาจะมารับแต่ผู้เดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนสงฆ์แล้วก็ถืออํานาจว่าของนิฉันรับไปแต่ผู้เดียวฉันใช้คนเดียวจะให้คนให้ทานไปสวรรค์คนรับทานลงนรกก็ดวมความว่าเป็นการป้องกันปฏิฆาการให้ทานจัดเป็นทานบารมี คนที่จะให้ทานได้ก็ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาจะให้ทานไม่ได้เพราะห่วงทรัพย์สินว่าของที่หามาได้โดยยากกว่าจะได้มาแต่บาตรกระแสนําบากถ้าเราให้ไปล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะการให้ทานก็ถือว่าเราสร้างมิตรคือความดีสร้างเพื่อนสร้างความดีก็สร้างความสุขใจใเกิดขึ้นเฉพาะในชาตินี้ ในชาติหน้าเราก็ป้องกันความยากจนอันนี้ต้องเป็นคนมีปัญญานะก็คี่ว่าการให้ทานเป็นทานบา ร, รมีผู้ที่ให้ทานก็ต้องมีปัญญาบา ร, รมีด้วยถ้ามีปัญญาบา ร, รมีตัวเดียวก็สามารถจะแบลบรมีเก้าตัวทั้งทั้งหมดสิครบแต่ว่าอันไหนจะเป็นบารมัตรบา ร, รมีนะอีส่วนหนึ่งเป็นนว่าวันนี้ขอพูดเรงสังสัข้อดีสองเดี๋ยวก่อน เร็วมหาสัญญาข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไปเสือของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราเระวางเฉยในร่างกายถ้าความรู้สึกอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอระหรันยังไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาบันยังมีความรู้สึกไม่เท่านี้ พระพระสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกาย ม, มีในเราแต่ว็มีความรู้สึกตามเป็นความตามความเป็นจริงว่าร่างกายมันต้องตายเอาแค่นี้เองนะถ้าหากว่าพ ร, ระโสดาบันก็ดีพระสิษฐาคา ม, มีก็ดีก็เหมือนกับชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นผู้ไม่ขาดในศีลไม่ขาดในกรรมสิทธิ์ ดูตัวอย่างนาวิสาขามหาบาสิกาเป็นระโสดาบันเมื่ออายุเจ็ดปีพออายุสิบหกปีก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกผู้ชายสิบคนมีลูกผู้หญิงสิบคนรวมแล้ยี่สิบนี่ใครยังไม่สดบ้่งระวังให้ดีนะก็ะต้องเลี้ยงลูกคนละยี่สิบยี่สิบยี่สิบไหวไหมไม่ไหวเนะี่ย ไอ้ไหวก็จะแต่งงานใหม่นะก็เป็นนั้นว่าไม่มีความจะเป็นตามนั้นนะนี่พูดในฟอนใที่ว่าพระโสดาบันก็ดีพระสรีธาคา ม, มีก็ดียังอยู่กับสามีพัญญาเป็นปกติยังไม่ต้องแยกกันเพราะว่าทรงแค่สิ้นห้าได้กำหนดสิบ 10, ยังไม่ใช่สิ้นแปดถ้าเป็นพระนาคารามีเนี่ทรงสิ้นแปดกรวาด คำส่งชินแปนี้ไม่ใช่บังคับในการสรงมันจะสรงตัวเขามันเองทีนี้ก็มาพูดถึงสั ง, สงโยคข้อที่สองคือวิจิิจฉาความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมละพระอริยสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระทรก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีดีจริงหรือเปล่า สำหรับข้อนี้เห็ยนยนเครื่องเบาใจสาหรับบรรดาท่าพุทธวิสั์ที่มานั่งในทุกคนหรือว่าบางคนอาจจะยังสงสัยก็มีอยู่มีมาใหม่ๆนะยังมีอยู่จะพระพวกเก่าๆข้อนี้ไม่ต้องตัดพ่อะไดตัดแล้วเห็นไหมตัได้ยังเสแตัดได้ยังถ้าสงสั ย, ยนั่งลำหอกเลย ใช่ไหมมันเมื่อยจะตายนั่งก็ลำบากจะไปขี้ก็ลำบากจะไปเยี่ยวก็ลำบากกัวที่หายจะไปก็ยากดีไม่ดีท้องโล่งขี้ราดตามทางเลยก็อยองไปนะอันนี้แสดงว่าทุกคนตัดสังย่อยข้อที่สองได้แล้วเป็นอันว่าปะโสดาบันสามข้อเราได้หนึ่งในสามแน่นอน วนกลับมปีทีหนึ่งล้ว เ, เคยนึกถึงความตายไหมถ้าหากว่าไม่นึกถึงความตายก็จะมานั่งกันอยู่ทำไมคนที่มานั่งนี่ทั้งหมดที่มาด้วยศรัทธาทุกคนนึกถึงความตายด้วยกันทุกคนถ้านึกถึงความตายแม้จะพียงว่าสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งก็าตามหรือวันละครั้งก็าตามก็ถิ้ว่านึกถึงความตายก็ชื่อว่าเราตัดสิ่งยอดข้อที่หนึ่งได้โดย ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองไม่หนักถ้าจะไปหนักเอาข้อที่สามตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์เะนั้นสมาธิของพระโสดาบันก็ไม่ต้องหนักเพียงแค่คิดไปคิดมาภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้าง อารมณ์แค่ปฐมฌานก็สามารถเป็นระโสดาบันและสกิทาคามีได้แล้วมิสําหรับได้ปัญญาปัญญาก็ยังไม่มากปัญญาใช้ไม่หนักปัญญาคิดถึงตามความจริงวันหนึ่งความตายมีกเราแน่โดยการที่สองพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีท่านมีความดีจริงที่พูดเฉพาะพระอริยสงฆ์นะ แต่ที่ไม่ใช่พระอริยะเอาแน่นอนไม่ได้และประการที่สามสิ่งนี้พระเจ้าทรงสอนดีจริงมีความสุขจริงนี่ปัญญาของพระโสดาบันมีแค่นี้ไม่มีมากนะนต่อไปก็มาพูดกันถึงสังโยชน์ข้อที 3, ่สามเพราะข้อที่สองไม่จําเป็นจําเป็นไหมตะแคข้อที่สองความเคารพในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรามีแล้วนี่นะ หมดเรื่องกันไปมาข้อที่สามสีละประตระ p a า a m a ṭ คัมภีร์สีระประตระ p a r a ก็หมายความรักษาศินไม่แน่นอนมีความบกพร่องในศินข้อใดข้อหนึ่งวันนี้บกพร่องข้อที่หนึ่งวันพรุ่งนี้ข้อที่หนึ่งดีข้อที่สองช่องไปริษมใช่ไหมมนอาจะมีตามนั้นยั น, นเรียวศีละประตระ p a า a m a ṭ แล้วก็ต้องมาปรับกันเรื่องศีลเช่นพระโสดาบันก็มีความสําคัญที่ศีลที่หนักพระโสดาบันแค่ศีลห้าเราก็ต้องมานั่งนึกถึงความเป็นจริงของศีลห้าที่พระเจ้าทรงตรัสศีลห้ามีอะไรมั่งหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์สองอย่าลักทรัพย์สามอย่าประพฤติผิดในกรรมสี่อย่าพูดโดยสาร ห่ายาดิมฟราดมไม่ไรแล้วเราก็มานั่งดูถึงอนิสองอนิสองของสิงขั้นต่ำมีต่ำมีสูง น, นทตำราเขาไม่เขียนอฉันพูดเองอนิี่สงของสิ่งขั้นต่ำคือปานาธิบาตถ้าเราฆ่าสัตว์ ตายแล้วไปไหนไปนรกคนจากนรกมาเป็นเปรตคนจากเปรตมาเปลสุรกายคนจากสุรกายมาเป็นสัตว์ที่เราฆ่าให้เขาฆ่าตามจำนวนชีวิตของสัตว์หลังจากนั้นมาเป็นคนก็เป็นคนไวยเปียกเสียขาเป็นคนทุกข์กุณภาพอยู่พักหนึ่งอย่างน้อยห้าร้อยชาติแล้วจึงจะเป็นคนปกติ อดีสงฆ์ศีลนะยังต่ำนะดีไหมชอบไหมไม่ชอบไม่เคยชอบตั น, นี้อดีตสงฆ์ขั้นสูงถ้าเราจะสามารถราสาสักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ข้อที่หนึ่งศีลทั้งหมดที่เราจะรักษาได้จริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างประจำใจหนึ่งเมตตาความรัก สองกรุณ า, าความสงสารความจริงไม่ตายความรักกรุณาความสงสารเรามีมาจากทานบารมีแล้วเมื่อคืนนี้พูดคืนที่แล้วมาพูดถึงทานบารมีการให้ทานเราต้องมีความรักต้องมีความสงสารคนที่เรารู้จักเรารักเราจริงให้ถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ให้คนที่เราไม่รู้จัก ถ้าเราไม่สงสารแล้วก็ไปให้เราสงสารแล้วจึงให้ฉะนี้การให้ทานต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารประจําใจอยู่แล้วทีนี้มาถึงสินสินทั้งห้าข้อนี้ก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเช่นเดียวกันถ้าคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่มีในเราสินก็มีไม่ได้ แังนั้ น, นเมื่อเราจะไม่ละเมิดสิทธห้าจะระงับได้คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ก็สายหนึ่งมีความรักสองมีความสงสารแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตชีวิตเขาเราเรามีความรักชนสัญใดเขาก็มีความรักชีวิตเข้าบหมือนกัน ในร่างกายของเราเรามีความสงสารขนาดไหนเขาก็มีความสงสารร่างกายเขาก็ขนาดนั้นสัตว์ทุกตัวย่อมมีคู่หัวเมียมีลูกมีเต้าถ้าฆ่าพ่อตายลูกก็ลำบากแม่ก็ลำบากถ้าฆ่าแม่ตายพ่อก็ไอพ่อสัตว์ก็ลำบากลูกสัตว์ก็ลำบากก็รวงความว่าเราเห็นสัตว์ควรที่จะฆ่าได้เราไม่ฆ่าขณะใดที่เราไม่ฆ่าสัตว์ขณะนั้นเราเป็นผู้มีสิ่ข้อที่หนึ่ง ถ้าเรายังนึกว่าเราจะรักษาสิลงข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่พบกับความเป็นจริงก็ยังไม่แน่เรามีสินะไม่มีสินถ้าพบก็ขอที่เราจะทำราร้ได้สัตว์ที่เราจะทำราร้ได้คนที่เราจะทำราร้ได้แต่เราไม่ทำเราให้อภัยจัดไปอภัยทานอย่างนี้มีสิลข้อที่หนึ่งถ้ารักษาสิ่ข้อที่หนึ่งได้ชาตินี้เราก็มีความสุข เพราะว่าเป็นคนที่มีศัตรูน้อยและอาจจะไร้ศัรเลยก็ได้แต่การที่สองท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเป็นผมก็มีรูปร่างหน้าตาสวยถ้าคนจะความเป็นเทวดานางฟ้าหรือคนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยอายุยืนยาวมีโรคน้อย โลกอาจจะมีบ้างแต่ก็มีน้อยเนี่อันที่สองสิ่งข้อที่หนึ่งเรื่องการที่เราจะรักษาสินก็ต้องดูถึงอันที่ส์ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแนวสิ่งข้อที่สคืออาธินาทานอธิทานทานในการรักการขโมยเขาก็เป็นการก่อศัตรูเป็นของไม่ดีก็คิดว่าทรัพย์ของเราเราก็หัวแข็งเราต้องการอยาเก็บเป็นใช้สอย เราก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนทรัพย์ของเขาถ้าเราละเมิดถ้าเราละเมิดในการในสิงข้อที่สองตายก็ต้องตกมารกแม่งกันคนจากมารกก็มาเป็นเปรตคนจากเปรตก็ไาเป็นสุรกายคนจากสุรกายก็มาเป็นสติฉันคนจากสติฉันก็มาเป็นคนมาเป็นคนก็หนึ่งถูกไปไม่บ้านบ้างลมพัดให้บ้านพังบ้าง โจรป้นบ้านบางแล้วก็น้ำพ่วงบ้านบางอย่างนี้พระโทษพระดินาทานถ้า เ, าเราไม่ละเมิดสิงข้อนี้เราสามารถทรงสิงข้อนี้ได้เราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางพ้าด้วยพรถ้าพ้นจะนั้นแ้มาเป็นคนทรัพย์สมบัติจะไม่มีอันตรายจากอันตรายทั้งสี่ เราก็มีความสุขบ้านไม่ต้องใส่กุญแจกมยก็ไม่เข้าเพราะอะไรเพราะอา น, นิสงส์ของสินรักษาแล้วต่อมาสิ่ข้อที่สามการเมสุมิฉายจานการละเมิดความรักของพวกคนอื่นถ้าด้ายของอา น, นิสงส์เริ่งต่ำตายแล้วก็ต้องลงนรกลงนรกขุมใหญ่ก่อน ถ้าจึงมาเข้ายมมาโลกร ก, กเอกรีมาปีนต้นไม้ที่นะให้ต้นยิ้วที่มันมมนรกเนี่ยมันแปลกเอ้ยเขาปูกไว้เจาแก่มาเปล่ากันไปฉันไปดูทีไรมันพอดีกับคนทุกทีคนละต้นละต้นละต้นละต้นก็มันพอดีกับคนวันนั้นไปกับพระญายามท่านด้วย มีพญายามท่านนำไปกับเทวดาสององค์ไปเห็นต้นยิว้วแหมหลามมันงงนะสวยหนามสวยน่าขึ้นใช่ไหมแล้วมันเป็นสตริงด้วยนะพอตายไปมันดีพวกทะลุหลังเลยเลือดชกท่านหล่นลงมาสุนัขใหญ่กัดขึ้นไปสูงแรงกับกาจิตใช่ไหมแล้วมันก็พอดีกับคนทียงก็เลยพูดกับญายามท่าน บอกว่าท่านปยายมอันนี้จตมาเบาใจมากท่านถามเบาใจยังไงเบย์บอกว่าต้นนิ้วมันพอดีกับคนซะแล้วไอ้แามาลงมาไม่มีตัวนิ้วขึ้นไอ้เราก็าจะหวาดหวาดเหมือนกันนะท่านเลยยิ้มยิ้แล้วบอกเ ป, เป็นไรครับไอ้ต้นนิ้วที่นี่มันขึ้นเร็วมาเท่าไรมันขึ้นพอดีเท่านั้นไอ้ต้นระยยมในช่วยทกเทคเตอร์ไปขุดรากเจเส ก็เบดไปทิ้งก็ได้นะทิ้งให้พังไปหมดรากเหง้ามันนะไอ้ตัวนี้ระยำนี้ก็เป็นน้ว่าการละเมิดโทษกาเมสุมิชาจาร์นอกจากจะลงนรกแล้วก็มาเป็นเปรตจากเปรตก็เป็นสุรกาจากสุกายเป็นสริช์ฉนถ้ามาเป็นคนคนในปกครองจะว่ายากสอนยากเดินด้านไม่อยู่ในโอวาท ีหลายหลายคนเคยมารายงานในทราบกับลูกหลานเรือด้านจำไม่ดูกนะพระชาติก่อนเจ้าชู้มากเกินไปอย่างฉันเขาไม่เรียกเ จ, จ้าชู้หรอกเป็นพระหมดเรื่องราวไปแล้วีตอนไม่เป็นพระไม่พูดกันใช่ไหมตอนนี้ก็ว่าตอบอีกข้อที่สี่อะไรมุสาวาดมุสาวาดที่ท่าโกหกก็มีสภาพเช่นเดียวกันเขาก็จับลงนรกเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดล้วต่อมาทา เรารักษาได้เราก็เป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นพรหมก็ได้ทำไมบ้ารักษาพุทสาวาจจะเป็นพรหมได้ไหมสัจจะบ ร, รมีถ้าเป็นฌานใช่ไหมไอ้คำว่าฌานนี่ไม่มีความจาเป็นต้องไปนั่งหลับตาเสมอไปถ้าเราถือว่าเราจะรักษาสัจจะคือความเป็นจริงอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่ความเป็นจริงเราจะไม่พูด เรารักษาอย่างนั้นไว้และรักษาได้โดยไม่ต้องระวังมันมีอารมณ์ชินอย่างนี้เรลวเป็นชานถ้าทำอย่างทั้งอย่างนี้เป็นพรอมได้เข้าใจนะเจนึกว่ชาชานต้องไปนั่งหลับตาปีอะไนั่นเขาฝึกการเข้าฌานไม่ใช่ผู้ทรงฌานสำหรับผู้ทรงฌานนี่ไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตา จะใช้กำลังของฌานเมื่อไรก็ได้กำลังคุยกันอยู่กำลังกินข้าวอยู่กำลังทำงานอยู่อยากจะรู้อะไรพระ้าสายฌานเราจะสามารถใช้ได้ทันทีอย่างนี้ถ้าเรียกผู้ทรงฌานท่านี้ถามบารมีสัจจะบารมีถ้าเราขาดกระล์นรกเหมือนกันถ้าเราดีเราเป็นเทวดาเราเป็นพรหมเราก็มีความสุข อย่างพรมองค์หนึ่งมงนีงน้นามาสัจจพรผมเส่รู้จักไหมมาอิจานี่ยพูดมากจริงๆอีครั้งหนึ่งไปพบแกที่หน้าจุฬามณีไอเราก็อยางเข้าจุฬามณีไปพบอิตานีเขาแกมีสัจจะอย่างนี้แกคุยไม่คุยตลอดเวลาขึ้นไปตั้งแต่สองทุ่มปีสี่ยังเข้าจุฬามณีได้แกคุยไม่หยุด ถาว่าแกพูดเนี่ยมาจริงแล้วโกหกวะบอกเรื่องจริงนะครับผมเป็นสัจจพรมนะครับชื่อสัจจพรมแต่พูดมาจริงๆก็รงความว่าถ้าเรารักษาข้อนี้ได้เราก็เป็นพรมได้เป็นเทวดาได้ไปเรมาสิงข้อดีห้าถ้าเราละเมิดตายจากความเป็นคนลงนรกเหมือนกันว่ารเรื่อยทไมจะนรกเหมือนกันนรกปรตสุรายสัตว์ชัดเหมือนกันหมด ถ้าเกิดเป็นคนใหม่ถ้าเราไปนนักดื่มแบบเบาๆก็จะเป็นคนที่มีโรคปวดทิ่สะบ่อยถ้าเป็นนักดื่มปานกลางก็จะเป็นโรคซึมาระสับถ้าเป็นนักดื่มอย่างหนักก็เป็นโรคบ้าเข้าใจดีนะพวกบ้าได้พอดีนะถ้าเราไม่ดื่มสุราได้มีไร ไปแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมได้กระโดความว่าการรักษาศีลต้องรู้อะไรสง่งเราก็ต้องระ ม, มัดตะวังว่าชาตินี้ระบบพร่องอะไรบ้างเราเป็นคนมีโรคมากยตฺตามาเนี่ยขอรับรองว่าคนทุกคนที่มานั่งเนี่ยจะมีโรคเท่าหนึ่งในสิบยตตมาไม่มีนี่คนบารมีสูง ข้ออะไรไหมบารมีค่าเขามามากเอเสเคยจุแต่คอของเรา่จําไม่ได้อันี้ค่าเขามากแตคือไม่ได้ค่าปลาค่าคนถ้าเกิดทุกชาติเป็นนักรบทุกชาติขึ้นเชื่อว่านักรบเป็นก็บาปแม้ว่าจะทําเพื่อประเทศชาติเป็นก็ต้องบาปคำว่าบาปก็ต้องบาป บ่าวเขาแปลว่าชั่วทั้งนี้พ่อใเพ่อเราต้องฆ่าชีวิตของเขาไม่ไม่เรือฆ่าเขาแล้วถ้าถามว่าทำไมจึงไม่ตกมารกไอ้มารกเนี่ยทำไมก็ไม่แน่ใจเมื่อปีพศ .2508 วันนั้นไม่มีใครไม่มีแขกไปหาตอนเช้า นั่งเราอโยกโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปนั่งโยลเล่นๆนะแล้วก็มันนั่งนึกไม่ใจไม่เราตายชาตินี้มันจะไปนรกหรือเปล่าวะพอนึกเท่านั้นะเห็นพระพุทธเจ้าทันทีท่านบอกว่าแกไม่ตกนรกมาพันชาติเสร็จแล้วทำไมต้องนึกถึงนรกอีกถ้านึกถึงนรกมันจะเอาแกไปไม่บาปต่างๆแต่มันไม่ได้หมด มันรอจะอยู่มาเสียววับก็เป็นอันว่าก็าถามถ้าว่าทำไมจึงไม่ตกนรกขอทวนความหลังท่านก็ให้ดูภาพทุกชาติที่เกิดมาในตอนหลังนี่นะเป็นนักรบทุกชาติฆ่าเขามากแต่ว่าถึงแมจ้จะฆ่าเขาก่อนที่จะไปรบ ก, ก็สร้างวัดสร้างวาํำบุญสุนทานหนัก ลบตับแล้วก็ทำบุญหนักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบเจริญพระกรรมฐานอาศัยฌานสมาบัติเป็นเครื่องหนีนรกด้ฌ า, านสมาบัติที่มันหนีได้ชาติเดียวนะถ้าชาติหลังต่อไปจะเผลอจะลงได้มันต้องหนีก็ไดยฌานทุกชาติฉะนั้นเวลานี้ในเมื่อบาปต่างๆมันเอาลมนรกไม่ได้ ไอาชาตินี้ก็คิดว่าขี้เกียจจะเกิดต่อไปมันจะเกิดหรืไม่เกิดก็ไม่รู้นะเมื่อวันเมื่อวันที่สิบสามเขาทำท่าห น, นีแล้วมันไปไม่ได้เขาปิดประตูซะเขาปิดประตูบ้านเข้าเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้ก็ไปมาพูดแบบนี้เลิกกันแล้วนะตั้งใจจะหนีนะลูกหนีได้ไมันได้ไม่ทราบถ้าหนีได้ก็พ้นไป ถ้าหนีไม่ได้ถ้าเผลอลงนรกเป็นนานขึ้นไอบาปเก่าๆทั้งหมดมันรวมตัวกันมาในเมื่อไม่คิดว่าจะหนีมันมันก็ต้องมาเล่น ง, งานตอนมีอายุไม่ชีพอยู่ป่วยโดนป่วยนี่ป่วยแต่เลาคาวว่าถอยดูกฎข้กรรมชัยฐานกมูตายานนักปฏิบัติวันงวญิธิควรจะรีบเร่งใช้ เมื่อชอยฐ า, ากรมุตายานดูจะพระรู้ว่าไอ้การป่วยคราวนี้เพราะอากรรมอะไรเป็นเหตุทําอะไรเขาไว้ตอนนี้ความเบาใจมันก็มีเพราะว่าเราทำข้อยมากกว่า น, นี้อาราบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลามันหมดขอบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจตัดสัญญาณสามนั้นที่ยังตัดไม่ได้นะข้อที่หนึ่งนึกถึงความตายอย่างนี้คิดว่าคนเกือบทั้งหมดที่นั่งที่นี่นึกได้แล้ว มึดอยู่แล้วนะถ้าเราเคยคิดถึงความอยู่บ้านตามความตายอย่างว่างก็ถือว่าเราตัดสัญญาณข้อที่หนึ่งได้สำหรับเฉพาะพระโสดาบันนะก็บพิสุทธิ์ตาคามีข้อที่สองไม่สงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าตัดสัญญาณข้อที่สองได้ในความพระโสดาบันหรือข้อที่สามคือสิริปตะปรามาตรขอทุกขมิยามเร่งรัดในการรักษาศีล นึกถึงอานิสงส์การทำลายศีลอานิสงส์การรักษาศีลให้ทรงตัวว่าการทำลายศีลมีโทษต้งมีนรกเป็นต้นการทรงศีลไวสุดมีสวรรค์เป็นต้นมีความสุขตั้งใจไว้ลำตระวังไว้ค่อยๆทำไม่ชานักก็สา ม, มารถจะตัดสัญญาณข้อที่สามได้อาราบดาทัยพุทธบริษัททันหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสม า, า, สสม า, ามทานศีลสมาทานกรรมฐาน